สวัส ด, ดีครับท่านผู้ฟังเพราะว่าสีของท่านเหลียวฝานที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้ผู้ใช้นามแฝงว่ามิสโจถอดความจากต้นฉบับดั้งเดิมซึ่งเป็นภาษาจีนโบ ร, ราณในสมัยราชวงศ์หมิงท่านเหลียวฝานได้อบรมบ่มนิสัยในเชิญเล่าให้ลูกท่านฟังประมาณปีพุทธศักราช292และเสียงนี้สืบเนื่องมาจากการแพร่ออกอากาศของรายการเพื่อนรัติการ ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารภาค FM ความถี่ 90.5 เมกะเฮิรซจัดและบรรยายโดยกุลชาติเทพพัสดินณอายุทยาขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้การสนใจต่อไปนี้ขอเชิญท่านตั้งใจฟังค่อยคำที่เปี่ยมล้นด้วยเนื้อหาสาระให้ข้อคิดที่ดีงามเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปรารถนาวิถีชีวิตที่สุขสงบ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมโอวาสีของท่านเลียวฝานตอนเริ่มต้น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 ก็จะเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นความปรารถนาของท่านบีดาที่เสียชีวิตไปแล้วต่อมาพ่อพ่อพูดเข่าท่านหนึ่งที่วัดชิวินจือ่อท่านมีคราวยาวมีราศีผ่องใส ย, ยิ่งนักรูปร่างสูงใหญ่สง่างามราวกับเทพยดาพ่อจึงคารวะท่านด้วยความเคารพท่านพูดกับพ่อว่าเธอจะได้เป็นขุนนางนะ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 ซึ่งเป็นตำราของท่านบรมโอราจาร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์องพิศักราช960ถึง 1,127 ท่านผู้เช่าคงต้องการจะถ่ายทอดวิชานี้ให้แก่พ่อพ่อจึงพาท่านมาบ้านเพื่อมาพบท่านยาของลูกท่านกำชับให้พ่อตอนรับท่านผู้เช่าให้ดีแล้วทดลองให้ท่านพยากรณ์ดูปรากฏว่าแม่นยมไปเชื่อทุกอย่าง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 ปรากฏผลว่าออกมาช่ น, นั้นจริงๆต่อมาท่านก็พยากรณ์อนาคตของพ่อไว้ว่าปีใดจะสอบได้เป็นนักเรียนหลวงได้ข้าวพระราชทานเป็นจํานวนเท่านั้นถังปีใดจะได้สอบขั้นสุดท้ายปีใดจะได้เป็นในอําเภอเมื่อเป็นในอำเภอแล้วสามปีครึ่งก็ควรลาออกจากราชการเพราะอายุห้าสิบสามปีก็จะสิ้นอายุไข จะนอนตายอย่างสงบในวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดเวลาระหว่างตีหนึ่งถึงตีสามน่าเสีไดายจะไม่มีบุทไว้สืบสกุลพอได้บันทึกไว้ทุกคำเพื่อการลืมในการต่อมาคำพยากรณ์ของท่านพูดเท่าคงก็ยังคงแม่นยำอยู่เสมอมามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพยากรณ์ได้ว่าจะได้รับพระราชทานข้าวหลวงครบจำนวนหนึ่งแล้ว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 คำตอบทั้งห้าข้อของพ่อนั้นเขียนได้ดีเหมือนคุณนางผู้ใหญ่เขียนทูลเกล้าถวายความเห็นต่อห้องเต้นั่นทีเดียวท่านว่าถ้าคนไม่มีความรู้จริงย่อมเขียนไม่ได้เช่นนี้ความสามารถของพ่อย่อมจกเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินฉช่นไหนจึงจะถูกทำลายอนาคตเสีเลาท่านจึงสั่งให้พ่อไปทํางานกับท่านแต่ได้รับพระราชทานข้าวหลวงย้อนหลัง จนครบจํานวนที่ขาดไปปรากฏว่าเท่าจํานวนที่ท่านผู้เท่าคงคำนวณไว้พอดีเมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งทำให้พ่อเพิ่มความเชื่อถือในคำพยากรของท่านผู้เท่าคงยิ่งขึ้น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 ทำให้จิตใจสงบดียิ่งนักเมื่อผ่สอบได้แล้วเช่นนี้ก็ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงคือปักกิ่งในปัจจุบันอยู่ในมหาวิทยาลัยของหลวงหนึ่งปีพ่อไม่ได้ดูหนังสือหรือว่าตำราเรียนใดๆอีกเลยเอาเต็นนั่งสมาธิไม่พูดไม่จาไม่คิดอะไรทั้งสิน้นพอครบหนึ่งปีพ่อก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปเข้ามหาวิทยาลัยของหลวงทางใต้ คือนานกริงในปัจจุบันมันเป็นสถาบันสุดท้ายที่นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตามขั้นตอนต่างๆในภูมิลำเมาเดินของตอนมาแล้วจะต้องเข้ามาฝึกฝนเตรียมตัวเพื่อสอบออกราชการต่อไปแต่ก่อนที่พ่อจะเข้าไปยังสถาบันนี้ได้แวะไปที่วัดชีเสียสารเพื่อคาระวะท่านตวินกุเทระเสียก่อน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 ได้พยากรณ์อนาคตของพ่อไว้แน่นอนแล้วคิดบุ่นวายไปก็ร้ายประโยชน์จึงทําให้ใจสงบสบายไรยกังวลดีกว่าท่านนวินกุเทระหัวเราะกรองวัดโธเฮ้ยนึกว่าเป็นผู้วิเศษแล้วสิอิทธิแท้ว่ายังเป็นบุตุชนอยู่นั่นเองพ่อจึงกราบถามท่านว่าทําไมจึงว่าพ่อเป็นบุถุชนท่านตอบว่าอันที่จริงคนเรานั้นท่าจิตใจไม่วาบุ่น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 ได้ทำสถิติกันไว้โหราศาสตร์จึงมีขึ้นด้วยเหตุนี้ก็มีแต่สามัญชนคนธรรมดาเท่านั้นที่จะถูกกําหนดได้ตามวิชาโหราศาสตร์แต่คนที่ทําแต่ความดีมากๆแล้วจะตาชีวิตจกทําอะไรได้โหราศาสตร์นั้นยังไม่ถึงกรรมดีกำชั่วของคนเราหรอกวิชาโหราศาสตร์จึงยึดถือเป็นบรรทัดฐานไปหมดมิได้เพราะคนดีนั้น ถึงแม้ชะตาชีวิตจะบ่งไว้ว่าไม่ดีอย่างไรแต่พลังแห่งอุศสมธรรมนั้นใหญ่หลวงนักสามารถพลิกความคาดหมายของโหราศาสตร์ได้คนจนก็กลายเป็นคนรวยได้คนอายุสั้นก็กลายเป็นคนอายุยืนได้ไม่ทั้งนองเดียวกันคนที่สร้างอากุศลกรรมอย่างหนักไว้ชะตาชีวิตก็ไม่สามารถผูกมัดเขาไว้ได้เช่นกันแม้จะถูกลิขิตมาว่าจะได้ดีมีสุขอย่างไร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 ชะตาชีวิตนั้นเป็นสิ่งไม่แน่นอนอนาคตรเราต้องสร้างของเราเองคนทําดีชะตาก็ดีคนทําชั่วชะตาก็ชั่วเมื่อต้องการอนาคตดีก็ต้องทําดีถ้าทําแต่ความไม่ดีแม้ชะตาจะดีก็กลายเป็นร้ายไปได้ในพุทธธรรมก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการลาบยศย่อมได้ลาบยศผู้ใดต้องการบุตรทิดาย่อมได้บุตรทิดา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 ธนวินกุเทระตอบพ่อว่าท่านเมืองจือกล่าวไว้ไม่ผิดหรอกพ่อเองที่เข้าใจคำสอนของท่านผิดไปท่านหลักโจเคยกล่าวไว้ว่าความสุขความเจริญทั้งมวลเกิดขึ้นที่ใจก่อนทั้งสิน้นการสแสวงหาใดๆก็ตามต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนไม่เพียงแต่จะได้คุณธรรมความดีงามทางธรรมะเท่านั้นความสุขความเจริญลาบยศชื่อเสียงเงินทอง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 ไม่ใช่ได้เพราะความดีของเราเพราะการสแสวงหาจากภายนอกนั้นอาจาจะต้องใช้ความพยายามในทางที่ถูกบ้างผิดบ้างไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกนไม่ได้ด้วยมนเอาด้วยคาถาสแสวงหาด้วยแรงขับของกิเลสปัญหาจึงไม่ทันได้คานึงถึงสีธรรมเป็นการสูญเปล่าทั้งสองทางทางธรรมะก็เสียหายแล้วทางโลกก็เสียหายอีก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 พ่อนั้นชอบความสะอาดมากเกินไปจึงย่อมไม่มีบุตรชั้นนั้นนี่เป็นเหตุผลประการที่หนึ่งธรรมชาติสรรสร้างสรรพสิ่งให้มีความสมดุลเพื่อให้ชีวิตเจริญเติบโตด้วยดีแต่พ่อมักโกรธทําให้ร่างกายและจิตใจเสียดุลอยู่เป็นนิดย่อมไม่สามารถมีบุตรได้นี่เป็นเหตุผลประการที่สองความเมตตาเท่านั้นที่ค้ำจุนโลกไว้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 บุตรก็จะไม่แข็งแรงและอายุก็คงไม่ยืนนี่คือเหตุผลประการที่หในยามกลางวันคนเราไม่ควรนอนแต่ยามกลางคืนก็ควรนอนพักผ่อนให้สบายแต่พ่อไม่ชอบมอนกลางคืนชอบนั่งเข้าที่เป็นสมาธิอยู่ตลอดคืนได้เสมอฉะนั้นจักมีบุตรได้หรือนี่เป็นเหตุผลประการที่หกที่ทําให้พ่อคิดว่าชาตินี้ พ่อจะมีบุตรไม่ได้สมจริงดังคำทำนายเป็นแน่แท้แต่นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่พ่อทำผิดๆไว้อีกมากมายแม่จะพูดต่อไปก็คงไม่รู้จักหมดเป็นแน่ธนวินกุเทระฟังพ่อพูอพดเสยืดยาวแล้วจึงกล่าวว่าไม่เพียงแต่พ่อไม่สมควรจะเข้าสอบเป็นคุนนางเท่านั้นยังมีอีกหลายๆสิ่งที่พ่อก็ไม่สมควรจะได้รับด้วยคนในโลกนี้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 สามารถสืบสกุลได้ยืดยาวได้ถึงสิบชั่วคนผู้ที่ทำดีติดต่อกันเพียงสองสามชาติก็ย่อมจะมีบุตรหลานสืบต่อไปสองสามชั่วคนเท่านั้นผู้ที่ไม่มีบุตรเลยก็จะเห็นได้ว่าไม่เคยสั่งสมคุณธรรมความดีที่เป็นชิ้นเป็นอันมาบ้างเลยแล้วท่านก็บอกพ่อว่าเมื่อพ่อรู้ตัวเองว่าไม่ดีอย่างไรบ้างแล้วเช่นนี้และเข้าใจความเป็นไปของฟ้าดินแล้วไซ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 เพราะได้ผลในปัจจุบันไปเสียแล้วบ้างแต่ถ้าทําแล้วไม่โออวดในความดีนั้นผลบุญก็จะเต็มดุดวารีที่เปี่ยมฝั่งใครเล่าจะแย่งหรือแบ่งบุญของเราไปได้การทําดีเช่นนี้มีหรือจะไม่ได้เสวยผลแห่งความดีนี้คัมภีร์โบราณชื่อว่าเอกเก่งก็เด็ดเน้นถึงความดีความชั่วไว้อย่างละเอียดละออสอนคนดี ให้รู้จักหลบหลีกจากกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีเพื่อจกได้ผลดีตอบแทนหากว่าลิกิตของเจตนาชีวิตเป็นสิ่งแน่นอนแล้วไซจักหลีกเลี่ยงกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีได้อย่างไรในหน้าแรกของคัมภีร์กล่าวไว้ว่าครอบครัวใดสั่งสมแต่ความดีงามไม่เพียงแต่หัวหน้าครอบครัวเท่านั้นที่จะได้เสเวยผลแห่งความดีนั้นแม้แต่ลูกหลานเลน้หลนก็จะพลอยได้เสเวยผลแห่งกรรมดีนั้นด้วย วิเคราะห์ดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าชะตาชีวิตไม่สามารถควบคุมมนุษย์ไวได้เสมอไปจิตใจมนุษย์สำคัญกว่าจิตใจที่ดีงามย่อมกระทำแต่สิ่งที่ดีงามและได้รับผลที่ดีงามผู้มีจิตใจซ้มย่อมกระทำแต่สิ่งที่เลวซ้ำและได้ผลที่ซ้าท่านถามพ่อว่าเชื่อท่านหรือไม่เล่าพอเชื่ อ, อยางมาก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 และบัญชชนของพ่อ